มีผู้พูดมีผู้สอนมีผู้ฝังนำไปปฏิบัตินำไปศึกษาแน่นอนที่สุดการศึกษาเรื่องของชีวิตเราต้องเอาชีวิตตุนร่วนออกไปดูไปพืด้ดูไปเปิดดูให้เห็นกับหูกับตาเราสติมันดวงตาภายในมาดูกายนะ ให้เห็นกายกายมันแสดงอะไรที่มันเกิดขึ้นจากกายมันเป็นอย่างไรเท็จริงมันเป็นอย่างไรให้ได้คําตอบให้ได้คําตอบให้มันจบลงไปอย่าเอาเรื่องของกายมาเป็นปัญหาเอาเรื่องของกายมาเป็นปัญญามีสติเห็นกายตามความเป็นจริง พื้นที่ของกายมีสติไปลงแล้วสติยึดพื้นที่ของกายได้แล้วเป็นสมบัติของสติกายเป็นสมบัติของสติสติเป็นสมบัติของกายความสุขความทุกข์ไม่เป็นสมบัติของกายมันเป็นความไม่ชอบธรรมความชอบธรรมคือมีสติเข้าไป ลงพื้นที่ยืดพื้นที่เหมือนกับเรายึดพื้นที่ป่าพงป่ายญ้าคาให้เป็นพื้นที่ของป่ายางป่าตะเคียนทองแล้วมันก็เป็นผลกระทบเกิดขึ้นเป็นเห ต, เเหตุเป็นแหล่งอาหารเกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่ป่าพงป่ายญ้าคามันเกิดขึ้นมันก็เป็นเชื้อไย ทำไม่เกิดไฟรุกกรามาไฟเกิดขึ้นก็มีการขิปหายตามไปหลายอย่างสัตว์สารสิ่งเกิดขึ้นโลงโปง่งไหมวอดวายแบบแต่ว่ากายของเรามันไม่เป็นเหมือนเช่นนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายทําให้เราเป็นสุขถ้าเราเป็นทุกข์สุขทุกข์เกิดขึ้นที่กายอย่างเดียวไม่พอยังมีผลกระทบ ไปเสียงอื่นวัตถุอื่นเรามีสติมาเห็นกายจนยึดพื้นที่ของกายว่าไม่มีอะไรมาแสดงบนกายได้แล้วมีแต่สติเราไปดูไปเห็นได้คําตอบกายนี่สักดว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราจึงมาสร้างมาดูหันหน้ามาดูเคยมองไปทางอื่นต้องกลับมามาดู ถ้าเป็นดวงตาต้องกลับมาดูอย่าออกไปข้างนอกอย่ามองไปข้างนอกกลับมาดูตาภายในมันกลับมาดูตัวเองบัณฑิตก็มองตนเสมอจนเห็นว่ากายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุคลตัวตลาได้คํับตอบอะไรที่เกิดขึ้นกับกายไม่มีตนอยู่ในกายมีแต่สติสมัมปชัญญะมีแต่ปัญญาเวทนาที่มันเกิดขึ้น เห็นสุขเป็นทุกข์ก็สติไปลงพื้นที่แล้วยึดพื้นที่แล้วอันเวทนานั้นแต่ก่อนเขาแสดงเป็นบทสุขบททุกข์เราก็สุขทุกข์ที่เกิดจากเวทนามันก็กระจายไปกวงใหญ่ไผศารบางทีก็ต้องหาซื้อหาปลดหาที่หาข่มคืนหาอะไรที่ได้เวทนามาเวทนาเกิดจาก กายจากกิจที่เป็นสุขเป็นทุกข์เราก็เห็นแล้วมีแต่สติเข้าไปเห็นคา ว, ว่าเวทนาเป็นสมบัติของสติสติลงพื้นที่อันเวทนาไม่ไปถึงไหนเป็นปัญญาเป็นปัญญาเราก็ยืดพื้นที่ไปเรื่อยๆอะไรที่เป็นสิ่งที่ขวางที่กั้นเราเปิดออกได้แล้วหันไปได้ สิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้บรรลุคุณงามความดีไม่ให้ถึงสติปัญญาเราก็ล่วงข้ามไปได้แต่เรถึงกิจมีสติไปลงพื้นที่ของกิจกิตไม่มีโอกาสที่จะแสดงบทบาทที่เป็นสุขเป็นทุกข์ที่เป็นความโลภความโกรธความหลงต่อเกี่ยวกับกิจนี่เป็นสติรุน่นรุ่นเราไปดูไปแหลไปเห็นง่ายขรุกาย แต่บางทีเราไปมองว่าจิตนี่เป็นการฝึกยากที่จริงมันไม่ยากแต่เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเกิบขิดมันง่ายกลัวกายมันง่ายกลัวกายเพียงแต่รู้หรือกลับเปลี่ยนคนรบกุมมันหลงกว่าเปลี่ยนเป็นรู้นะมันโกรธก็เปลี่ยนเป็นความไม่โกรธมันทุกข์กรธเปลี่ยนเป็นความไม่ทุกข์อะไรที่มันเกิดขึ้นเกิบขิด เปลี่ยนได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวเหมือนกันอันเดียวกันความรู้สึกตัวอยู่ที่กายความรู้สึกตัวอยู่ที่เวทนาความรู้สึกตัวอยู่ที่กิตยืดใตแล้วไม่มีเสร็จอะไรที่จะมาแสดงอยู่บนจิตเอาจิตเป็นเวทีของการแสดงเหมือนเมื่อก่อนไม่มีแล้วชักสะพานได้แล้วชักสะพานออกหมดแล้ว เมตตาจิตล้วนๆจิตบริสุทธิ์นะตลอดถึงอาการต่างๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตมันก็ไม่ใช่จิตไม่มีสิทธิ์ที่จะมาย่อมจิตจะมาย่อมจิตให้เป็นไปตามอาการต่างๆเป็นไปไม่ได้แล้วรูลักษณะของสี่อย่างที่มันเป็น สิ่งที่ขวางกั้นมันเป็นด่านทำให้ผ่านไม่ได้เราเปิดออกเราเปิดออกเราเห็นความจริงความเท็จที่มันเกิดขึ้นกับกายกับเวทนากับกิจกับธรรมเท็จจริงอย่างไรตัวสติเป็นตัวเห็นตัวดูถ้าอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับสติสติปานผ่านไปทงไหนเลยพูดถึงเส ม, มอว่าสติเปรียบเหมือนไม้กวาด ไมกวดเน่ถ้าผ่านไปตรงไหนก็สะอาดสติเหมือนกับใบ ม, มีดรถแท็กเตอร์รถเกรดที่มันผ่านไปตรงไหนตรงนั้นมักก็เรียบทําให้เกิดความคล่องตัวแล้วก่อนตะกูตะกะพอมีสติลงไปมันเรียบเรียบตามอาการที่เรามีสติถ้ามีสติมากก็เรียบมากถ้ามีสติน้อยก็เรียบน้อย เราจึงเห็นคุณค่าของการเดินสติมันผ่านกายผ่านเวทนาผ่านจิตผ่านธรรมไปได้ก็สรุปน้อยลงน้อยลงความหลงก็น้อยล ง, ยลงเพราะความรู้สึกตัวมันยึดยึดจุดอ่อนยึดจุดอ่อนที่เขาจะแสดงให้เป็นไปต่างๆรเราลู่หลงพบเห็นลู่เห็นพบเห็นเขาการพบเห็นอย่างนี้ แล้วก็ไม่ใช้รู้เฉยๆอะไรที่มันเกิดจากความรู้มีสติสัมปชัญญะอันมารดาของกุศลทั้งหลายกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นเมื่อมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นเขาก็เป็นใหญ่มีอํานาจเกี่ยวข้องกับเสียงไหนมักจะได้ความชอบเกิดสมอาทิถิมีสติทีไรเรามันชื่นโลกชื่นใจ งานของชีวิตคือมีสติถ้าหลงสติหรือสติไม่มีแสดงว่าชีวิตไม่มีเราใดที่เราได้เดินจงกลมได้นั่งลม้มรู้สึกตัวยกมือเคลื่อนไหวตามปัจัต่างๆที่เราปลูกลงไปเพิ่มความรู้สึกเข้าไปชีวิตมันก็สุดสุดปราดับรมที่สุดของชีวิตมีความรู้สึกตัว เข้าถึงภาวะความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนล่ายเป็นดีไปทำให้จิตใจที่เคยมีสิ่งครอบงม ย, ย่อมยีคลุกเคล้าด้วยอารมณ์ต่างๆปราศจากสิ่งที่มั่วมองจอดบริสุทธิ์ไม่เปิดไม่เพื่อนชีวิตที่ไม่เปิดไม่เพื่อนกับสุขกับทุกข์กับลภโกรธหลง ความหวอนกับเสื้อผ้าที่ไม่เปิดไม่เพื่อนกับสิ่งปฏิกูลโสโครกอ้นใช่สอยก็สะอาดสวมใส่สะอาดชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่ไม่เปิดไม่เพื่อนกับสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเราก็ปรากฏการนกับชีวิตเราถ้าเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับผิดก็เป็นเลือกที่หน้าที่โดยตรง เ, เรื่องหน้าที่เป็นการเป็นงานทำความไม่ดีให้เกิดความดีทำความผิดให้เกิดความถูกทำความทุกข์ให้เกิดความไม่ทุกข์เป็นการเป็นงานของชีวิตไม่ได้ถอดไม่ได้เที่งไม่ได้ปล่อยปะละลวเลยตรงนี้โดยตรงปฏิบัติโดยตรงปฏิบัติออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรใครก็ตามถ้าตร ง, ตรงอยู่ย ห, ร, หรือว่าเป็นสงได้เป็นพระสงฆ์ เป็นสุปฏิปันโนบุคคลปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติตตสมควรแล้วก็มีไม่มากชีวิตเรานะจิตใจบริสุทธิ์มีน้าจิตน้าใจโดยเพราะจิตใจนี่อาวาน้ามใจนี่มันไม่เหือดไม่แห้งเป็นไม่เหมือนเงินทองไม่เหมือนปริญญาไม่เหมือนเทคโนโลยี เทคโนโลยีบางครั้งก็ใช่ไม่ได้เงินทองก็ช่วยไม่ได้ปริญญาก็ช่วยไม่ได้มีแต่น้ำใจเท่านั้นที่จะแสงช่วยเหลือกันคึืนสึนามิที่ทำให้ชีวิตของคนเท่าหลายลมหายตายไปผู้ที่มีน้ำใจก็ยังทำงานทำการอยู่อยู่กับศพหอมศพกู้ศพเก็บศพ ไม่เกี่ยวกับเงินกับทองมาจากทั่วโลกที่มาช่วยกันน้ำใจนน่อาจจะไม่ใช่ลัทธินิกายชาติศาสนาลัทธิอะไรก็ตามไม่เกี่ยวไม่แต่น้ำใจที่แสดงออกโดยความช่วยเหลือเมตตากรุณาเมตตาไม่ใช่เมตตาเฉยๆ้าไปดูแลช่วยเหลือไม่ใช่เป็นคาพูดเสนอตัวเอง น้ำใจเนี่ยค่อยๆก็ว่าเป็นโพธิสัตว์มีอะไรเกิดขึ้นที่มีปัญหามักจะเสนอตัวเองเข้าไปช่วยเข้าไปแก้ไขไม่ใช่เรียกร้องแต่เรียกร้องไม่ใช่น้ำใจน้ำใจมันแสดงออกมาเสนอตัวเราแื้เข้าไปเจียวข้องทำสิ่งที่หนักให้เป็นเบาทำสิ่งที่ยากให้เป็นง่ายทำสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกเกิดจากน้าใจ ผู้ึกผลตนเองดีมีน้ำใจมีสติมีปัญญามันก็ไม่ใช่ปัญญาอยู่กับเราคนเดียวมันไปเป็นประโยชน์ต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นอัน น, นี้การปฏิบัติธรรมมันต้องมีเกณฑ์ที่วัดล่วงพ้นเพราะว่าเก่าถ้าเกี่ยวกับกายกับใจเกี่ยวกับชีวิตมันจบมันไม่มีปัญหาอะไรเคยสุขเคยทุกข์อมสุข ความหลงความทุกข์ความโกรธความโลภไปต่อความโลภความหลงไปต่อความหลงความโกรธไปต่อความโกรธความสุขก็ต่อความสุขความทุกข์ก็ต่อความทุกข์จากการปรุงปรุงแต่งแต่งทุกข์จากความไม่รู้ก็ไปต่อออมาดูเข้ายิงมันไม่มีทั้งตัวโกรธมัก็ไปเบีตัวหลงมัก็ไปเบี้ตัวทุกข์มันก็ไม่มีมันไม่มีจริงๆ มีแต่สติเท่านั้นที่เป็นความจริงชีวิตเราถ้าเป็นการเห็นก็เห็นถูกต้องเห็นเป็นกายเห็นเป็นรูปเห็นจิตเห็นเป็นนามเป็นรูปเป็นนามมันแตกฉานมันเข้าแถวมาให้ดูมันสาลภาพเหมือนพิภาคสาตุราการจับจำเลยมาฟ้อง ให้เกิดความเป็นธรรมขบวนการแห่งความเป็นธรรมจําเลยเมื่อจนต่อเหตุปัจจัยก็สารภาพสารภาพหมดเปลือกก็าเป็นธรรมก็เกิดขึ้นความหลงเขาก็สารภาพเป็นความหลงมีประโยชน์อะไรเมื่อความหลงเขาสารภาพเป็นความหลงหลอกลวงไม่ได้เองก็เป็นธรรมขึ้นมาความโกรธ เขาก็เป็นความโกรธความโกรธไปเป็นธรรมอะไรสารภาพว่าไม่มีประโยชน์เห็นเขาไม่เสร็จแรงเรเขาก็สารภาพก็เลยตายเป็นธรรมขึ้นมาหรือความทุกข์ความทุกข์แท้ๆท้าให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความสุขนอนอยู่บนวิมานที่ไหนประสาทสามฤดูไม่ใช่มาเห็นความทุกข์ที่เกิดจากลูปจากนาม เริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมที่เขาแสดงเขาก็แสดงเขาก็แสดงอยู่เมื่อเขาแสดงเราก็เห็นเขาเมื่อบุตบาทที่เขาแสดงมันเท็จจริงอย่างไรเขาก็บอกความจริงก็บอกความไม่จริงก็บอกในการศึกษามีสตินี่คว่าสติเนี่ยมันไม่ใช่สติธรรมดา แต่ว่าเราก็เริ่มสร้างเข้าเป็นสติธรรมดายกมือเคลื่อนไหวไปมารู้สึกตัวสร้างสติบาทีกิจมันคิดไปทางอื่นต้องดึงกลับมาทำอย่างนั้นสมัยเริ่มต้นการศึกษาศีลก็ต้องรักษาสมาธีก็ต้องเป็นนั่งบังคับให้รู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกหลับตาลงไปนั่งเด็กเง่งลงไป ปัญญาก็คิดเอาเหตุเอาผลหาคำตอบจากความคิดอะไรที่มีปัญหาหาคำตอบจากความคิดไม่ใช่พบเห็นถ้าได้คำตอบจากความคิดน่ไม่ใช่ปัญญาพุทธเป็นปัญญาแบบโลกโลกปัญญาของพุทธไม่ใช่เหตุผลไปพบเห็นเช่นความหลงเห็นความหลง ความหลงกลายเป็นปัญญาลู่แล้วเพรานั้นะเห็นความหลงลู่แล้วนะเห็นความโกรธลูล่แล้วนั่นปัญญาเห็นความทุกข์ก็ลู่แล้วคือปัญญาเห็นความวิตกก okay. ังว <derivative> ลเศร้าหมองลู่แล้วเห็นตัวเองผิดลู่แล้วเห็นคนอื่นถูกเห็นคนอื่นผิดก็ลู่แล้วเพราะว่าลู่แล้วมันจบไปแล้วไม่ต่อนั่นแหละปัญญามันสุดมันจบ แต่อะไรที่มันยังมีปัญหาเป็นการบ้านไม่ใช่ปัญญาอันนี้คือเกณฑ์ขี่วัดของนักปฏิบัติเกณฑ์ขี่วัดของเราต่อพูดทั้งกิจใจก็เย็นก็ปกติเหมือนพูดให้ฟังวันก่อนๆปกติน่ะมันก็มีแต่ที่จะช่วยกันเลยกันการงานที่จะช่องทางต่อทุกสรรพสิ่งยังมี ไ่ใช่ไปหลีหนีที่ไหนไปช่วยกันไปเพื่อเหมาะแก่การงานผู้มีสติสมชัญญาผู้เห็นตัวเองตามความเป็นจริงเหมาะแก่การแก่งานจึงไม่ใช่หลบหนีไปไหนสร้างสติต่อไปต่อไปสติมันจะช่วยเรารักษาศินต่อไปศิลจะรักษาเรา สร้างสมาธิสมาธิจะรักษาเราช่วยเราสติมาช่วยศีลมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยมาช่วยช่วยยกช่วยขนส่งให้พ้นจากปัญหาจาตนาะพุทธศาสนสะาหรือตัวปัญญาเป็นการขนส่งเป็นการขนส่งปัญหาต่างๆให้พ้นไป ขนส่งตัวเองพ่นไปขนส่งคนอื่นสิ่งอื่นให้พ้นไปเรียกว่าศาสนาถ้าศาสนาไม่ขนส่งให้สัตว์โลกพ้นทุกข์พ้นยากพ้นลําบากหรือศาสนาต้องถึงมรรคถึงผลถ้าศาสนาไม่มีมรรคมีผลก็ไม่ใช่ศาสนาถ้าไม่ล่วงพ้นเพราะว่าเก่าๆหลงจนตายโกรธจนตายทุกจนตายไม่ใช่ แม้เราจะว่าพุทธังสระนังกระฉาไม่ธรรมังสระนังกระฉาไม่สังคังสระนังกระฉามิอะไรที่เรายึดถือไว้เป็นที่อาศัยมันก็ไม่ใช่ถ้างงยังหลงยังโกรธอยู่พุทธังสระังกระฉาไม่มันพ้นแล้วจึงแสดงออกมาก่อนที่จะว่าพุทธังสระนังกระฉาเนี่ยมันพ้นแล้วทําอย่างนี้มันพ้นอย่างนี้เหมือนสมัยก่อน ผู้คนได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพอฟังเทศพระพุทธเจ้าเขาก็ว่าเองนโมตัสสะเขาก็ว่าเองพุทธังสนังอาฉามิเขาก็ว่าเองออกปาจากความสำนึกข้าพเจ้าถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ทำดูแล้วมันพ้นจริงๆลู่ตื่นเบิกบานเป็นคุณธรรมเป็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพุทธเจ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าคือตัวลู่ตื่นตัวปัญญาไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นตัวปัญญาที่พ้นที่ตื่นที่เบิกบานอยู่ในชีวิตจิตใจของเรา ต้องขนส่งออกไปมันเป็นเจนมันเป็นเจนที่ทวตมันมาศสถานมีสมรรถภาพมันใช้งานใช้การได้ในกายก็ทำประโยชน์เว้นโทษเว้นภัยได้สิ่งไหนที่เป็นพิษเป็นภัยแก่กายสำรวมทุกชีวิตหน่อยไปทำไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ให้เป็นปัญหา ต่อคนอื่นเสียงอื่นวัตถุอื่นพอกายจิตใจก็ใช่ทําประโยชน์ร่วมกันกับกายมันก็ใช่ได้มันมีรูปมีนามเอารูปเอานามเนี่ไปทําประโยชน์คิดก็คิดเป็นเอาความคิดมนาะใช้เป็นประโยชน์ถ้าคิดพระพุทธเจ้าก็สอนให้คิดว่าพุทธานุสติ คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้ามีเมตตาที่คุณต้องมีในเราด้วยเมตตาที่คุณกะรุณาที่คุณก็ต้องมีในเราบริสุทธิ์ที่คุณก็ต้องมีในเราปัญญาที่คุณก็ต้องมีในเราเรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้าวัตธรรมก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาต้องมีในชีวิตเราแสดงออกทางกายก็เป็นศีลแสดงออกทางบาจาก็เป็นศีลแสดงออกทางจิตใจก็เป็นศีล ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นพระสงฆ์ก็คือทําหน้าที่อันถูกนต้องช่วยกันปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อการงานต่อหน้าที่ตรงต่อบุคคลตรงต่อเวลาตรงต่อศิลต่อธรรมไม่ผิดไม่เพี้ยนปฏิบัติต่อกี่ยกทุกเป็นศิลปะคํำว่าทุกได้เป็นศิลปะมีเท่าไหร่ข้ามล่วงได้เท่านั้น ไม่เป็นการบ้านไม่นอนเนืองคาว่าทุกข์เลยไม่นอนเนืองเป็นสิ่งที่ชำนีชำนานคาว่าทุกข์ไม่มีการบ้านมีเพื่อไม่มีทุกข์อะไรที่มันมีเกิดขึ้นเพื่อไม่ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์เรียกว่าปฏิบัติออกจากทุกข์ปฏิบัติสมองเสมอสมควรปกติ อยู่ในภาวะควบปกติสโุปแล้วชีวิตทั้งกายทั้ง ใ, ใจได้ที่ได้ทางไม่ไปไหนถ้าจะดูแบบดูแบบสุดยอดคือไม่มีไม่เปลี่ยนอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรมีแต่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงถ้ามันร้อนก็ไม่เป็นผู้ร้อนถ้ามันหนาวก็ไม่ไหลเป็นผู้หนาวมีแต่เห็นตามความเป็นจริงถ้ามันทุกข์ก็ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นตามความเป็นจริง ถามันปวดมันเมื่อยก็เห็นไม่ได้เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยเห็นตามความเป็นจริงของอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามกับกายกับคิดใช่ดูแล้วใช่ได้ความไม่โกรธใช่ได้กวัวความโกรธความไม่ทุกข์ใช่ได้กวัวความทุกข์ความไม่หลงใช่ได้ก่าความหลงเราใช้ดูชีวิตต้องใช้ได้ เรายังไปใช้อันที่มันใช่ไม่ได้เช่นความโกรธยังให้ความโกรธร้อนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืน ท, ทั้งๆที่มันเป็นพิษเป็นภยัยก็เรามามีสติแล้วมันก็ต่างเก่าเหมือนเราฝึกใหม่ๆไม่มีสติมันก็เหมือนกันนั่นแหละความหลงความรู้ก็เหมือนเหมือนเคยครึ่งรู้ครึ่งห ล, ล, ลงเพราะมันหลงก็ไม่ค่อยรู้หรอกก็ อ, อยู่กับความหลงนั่นแหละแต่มัน คิดก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองคิดยังอยู่กับความคิดถ้าเราปรึกไปปึกไปปลึกไปพอเรารู้สึกตัวหนึ่งวันสองวันพอมันหลงอะไรทางใดขึ้นมาเราก็รู้สึกความหลงกับความรู้มันต่างกันเลือกเป็นอะไรนะชีวิตที่เลือกเป็นเลือกใช่เลือกเกี่ยวข้องมเลือกได้ชีวิตเรานะี่ยไม่ใช่เลือกไม่ได้นะ เฮ้ยตรงที่เราพูดกันได้ยินพูดกันว่าบุญวาสนาในแข่งขันกันไม่ได้ไม่จริงบุญวาสนาในแข่งขันกันได้เพราะอะไรเพราะเราจะทําเอาวาดเขียนลงไปให้มันดีมันงามอย่าให้อะไรมันดีมันงามเขียนลงไปแต่งลงวาดลงไปกายก็วาดลงไปให้มันงามงามด้วยสิทธิ์โดยธรรมให้มันใช้ได้ บาสนามันแข่งขันกันได้อย่าไปปล่อยทิ้งหรือว่ากรรมเวรถ้าว่ากรรมเนี่ยก็แต่งได้เราจะทำแต่กรรมดีเราจะละความชั่วไม่ใช่กรรมจะลิขิตชีวิตเราไปบางทีเราไปมองถึงกรรมอะไรถ้าชาติตางก่อนเป็นเวรเป็นกรรมเป็นกรรมของผมกรรมนี่ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกรรม ชั่วเป็นกรรมดีมันเกิดขึ้นที่กายก็เปลี่ยนมันมันเกิดขึ้นที่จิตก็เปลี่ยนมันอย่างกรรมอะไรกิเลสกรรมวิบากในวัฏฏะสงสารกิเลสกรรมวิบากเหมือนกับกองล้อหมุนกันอยู่เราจะเปรียบมันคนสุบุรีกิเลสกรรมวิบากคนสุบุรีก็อยู่ในวัฏฏะนี่ตอนไหนมันเป็นกรรมตอนไหนมันเป็นกิเลสตอนไหนมันเป็นวิบาก กรรมคือสูบกิเลสคือติดวิบากกรรมคือสูบกิเลสคืออยากวิบากคือติดเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบเพราะติดสูบจึงติดเพราะติดจึงอยาก <c ise> ในมันเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากเราจะตัด ต, ตรงไหนไปถามคนที่สุบุรีเขาก็บอกว่าทำไมจึงสูบเลยเพราะมันอยาก ทำไมมันจึงอยากเพราะมันติดทำไมมันจึงติดเพราะมันสูบหอมไปทําไปโอ้เพราะไม่สูบจึงไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูบเพราะไม่สูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากมันวนกับมาอันหนึ่งมันวนไปข้างซ้ายอันหนึ่งมันวนไปข้างขวาการเวียนไปข้างขวานเรียกว่าพุทธะการเวียนไปข้างซ้ายเรียกว่าโลกโลกทั้งหลายยินดียินไล่เป็นสุขเป็นทุกข์ติดไป ถ้าหลงก็ติดความหลงถ้าโกรธก็ติดความโกรธกลายเป็นจลิตนตใส่นี่ทําไมจะละไม่ได้กรรมทําไมจะไม่ชนะกรรมตัวอย่างเข็นสูบุหเลยเพราะสูบเลยตกกรรมตัวกรรมคือสูบเรามาเห็นกรรมเห็นส ม, มุทัยเห็นสังขารตัวรู้ตัวรูว้ก็ตัวหลงก่อนก่อนที่มันจะโกรธมันต้องหลงก่อนที่มันจะทุกข์มันต้องหลงทงําไมมันจึงโกรธทําไมมันจึงหลงทําไมมันจะทุกข์ มันก็เป็นกรรมู่ต้องแน่เรามีสติเรามีสติถ้ามีสติมันก็ไม่หลงแต่เวลาใดเทมันหลงพราะมีสติความหลงก็หายไปแล้วเนี่ยทาไมจึงเกิตัดกรรมไม่ได้มันก็อยู่กับมือของเราเนี่ยถ้าจะเป็นประตูนรกก็ปิดมันตรงนี้ถ้าจะเป็นประตูสวรรค์นิพพานก็เปิดมันตรงนี้ด้วยมือของเรานี่คือศาสนาต้องใช้ได้ ตศาสนาเพียงเอาถือเอาอ้อนวอนเฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่ไปอ้อนวอนไม่ใช่ไปขอต้องเป็นการกระทาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเรื่องการกระทาการกระทำเนี่ยเป็นหลักเป็นเจนเราจึงมีวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่สุดยอดของการศึกษาชีวิตเรา่าวิชาอืนอ่นก็โู่มากพระพุทธเจ้าของเรานี่ยสิบเกตศาสตร์ตั้งแต่จบ มายิงธนูปันดาบนอกจากนั้นก็อะไรทุกอย่างตามแบบของการศึกษาแบบผู้ที่เป็นกษัตริย์ครองบ้านครองเมืองต้องจบสิบกกตศาสตร์พอมาเรียนนี่เลยศาสตร์ตัวนีนศาสตร์ของชีวิตนยถ้าจบตรงนี้อันเด่นก็ง่ายเลยประเียยิงพราเราเป็น คุณครูอาจารย์คุณหมอพยาบาลโอ้ยิ่งดีใหญ่เอาศาสตร์เรลานั้นไปใช้สำเร็จประโยชน์มีเครื่องมือมีสติมีปัญญาไปช่วยโลกมันเป็นงานบุญของข้อก็ไม่มีความรู้แบบนั้นมีความรู้แต่ว่าทำการเกษตรทำไร่ทำนาปลูกป่าและนน่ก็จะมีบางจากมาปลูกป่า หลวงพ่อก็วางไว้แล้วป่าที่ปลูกวันนี้ปลูกตรงไหนพื้นที่แบบไหนต้นไม้อะไรวางไปแล้วรู้ดีต้นไม้ประเภทนี้มันอยู่ในพื้นที่แบบนี้ต้นไม้แบบนี้มันอยู่ในพื้นที่แบบนี้มากะจายตุ้มของพ่อมีต้นกลุ่มต้นกามต้นกลุ่มต้นกามมันชอบน้ำนะหลวงพ่อ่าะชายรู้ ต้องไปปลูกไเรียมน้ำํำไปปลูกเรียมน้ําต้นกิกต้นกระโดนมันชอบน้ํากิกนากิกน้ําก็ชอบน้ําต้องปลูกกระไรน้ําถ้ากิกโคกกระโดนมันก็บูบวนโคกกรลู้จากน้ําเลยวางเอาไว้ว่านนี้จะปลูกต้นมหกกานีต้นไม้ที่สวยที่สุดในการปลูกต้น้ายมาห้าหกปีสิบปียี่สิปีเป็น ต้นไม้ที่ดีที่สุดสําหรับวันนี้จะให้อพวกผู้มีศรัทธากลุ่มบางจากมาปลูกอันนี้รู้จักการจัดสรรต้นไม้ดูแลต้นไม้อย่างไงอะไรจับต้นไม้ด้วยมือของเราขุดลุมเอาต้นไม้ยองลนย่อนลมย่อนลงบนหลุมได้เอามือของเราคุยเขี่ยดินล้นล้น ซอยๆลงก่อนแล้วก็ค่อยสอดซอยกดค่อยปลูกแบบกรบดีๆปักหลักมัดเชือกติดหลักต้นไม้ไม่ให้มันเด่นมาเดียงโอ้ยสุดฝีมือมั่นใจก่อนที่จะปลูกถ้าฝนไม่ตกจะนด้นก็ลดน้ําให้เบ้ามันเปียกให้เบ้ามันเปียกสนอยแล้วก็ไปปลูกลงไปการจับต้นไม้ลงหลุมเหมือนกับจับลูกอ่อนลงใส่อู่ใส่เปล่ค่อยๆย้อนลงไปไม่ใช่ทิ้ง ถ้าทิ่งมันก็ช่ำเหล็กก็ไม่นอนถ้าค่อยย่อนลงไปนิ่มๆ ม, มันก็เป็นบรรยากาศของเขาอันนี้รู้ไปแบบนี้รู้ชีวิตนี่รู้เก่งๆรู้ไม่หลอกลวงใครละถ้าใครหลงก็บอกว่าไม่ยิงดอกความหลงความไม่หลงจริงก่าวนี่บอกตรงๆเลยถ้าใครโกรธไม่เยิงความโกรธความไม่โกรธจริงกลัวจะเชื่อไหม วความทุกข์มันไม่จริงความทุกข์ความไม่ทุกข์นะี่จริงกลัวจะเชื่อหรือไม่เชื่อความเชื่อยังใช่ไม่ได้ต้องทําให้เป็นความเชื่อเนะี่ยในศรัทธาหรือความรู้เนะ่ยใช่ไม่ได้ดอกต้องทําลงไปเรานั่งอย่นี้มีแต่คนมีความรู้รู้ดีรู้ชั่วหลงมันดีไหมไม่ดีโกรธ ด, ดีไหมไม่ดีทุกข์ดีไว้หไม่ดี ไม่มีใครตอบว่าทุกมันดีโกรธมันดีตอบว่าไม่ดีทั้งนั้นแต่ทําไมเราจึงโกรธอยู่ทําไมเราจึงทุกข์ความรู้บางอย่างมันก็ใช่ไม่ได้ต้องมาปฏิบัติไม่ต้องไปทไําหรอกไปเวลามันโกรธอดเอาแล้วมันทุกข์อดทนเอาไม่ใช่ไม่ต้องไปได้โอดไม่ต้องไปได้ทนมันมีวิธีที่ต้องไม่ทนทําอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่ทําอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันมีการกระทําเรียกว่าอิทับปัจจจตาผู้เห็นทำผู้ใดเห็นทำผู้นั่นเห็นอิทับปัจจจตาอิทับปัจเจตาคืออะไรเพราะอย่างนี้มีสิ่งนี้จริงไหมสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะอะไรมันจึงหลงเพราะไม่มีสติเพราะมีสติความหลงก็ไม่มีแล้วมีสติแก้ข้าึ้นไปเพราะมีสติเมื่อไม่มีความหลงก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความกลรธ ก็จะเปรียบเทียบคิเลสสามตัวเนี่ยโลภโกรธหลงเหมือนนิว้วมือสามนิวน้วนิวน้ ว, ว, วขี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วขี้ในต้องสูง ก, กว่าเขาใหญ่กว่าเขายาวกว่าเขาเหมือนกับความหลงถ้าหลงก็โกรธก็ได้ถ้าหลงก็โลภก็ได้ตัวหลงเป็นตัวใหญ่นะตัวหลงเป็นตัวการตัวโผมันพ อ, อดีกับเราสุกสตนะิไม่ต้องไปปราบมันหรอกความโกรธความโลภความหลงมีสติต่างหาก เราจเจริญสติตฐังหาพระเจ้ลากไปเลยละ่ะถอนรากมันเลยเพราะฉะนั้นนี่ลัดที่สุดแล้วการปฏิบัติย่อที่สุดแล้วตรงที่สุดแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรแน่ขอท้าถ่ายเป็นจริงอย่างนี้คําสอนพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปเน่นช้าเสียเวลาทําอะไรสติมันก็อยู่กับเราอยู่รู้อะไรสมบัติของสติเอามาใช้ได้หมด กายกิจใจเนี่ยเอามาเป็นวัสดุประกอบผิดความรู้สึกตัวอย่าไปใช้ให้เกิดความหลงเราก็ได้ฝึกหัดมาทางหมอพยาบาลคุณครูทั้งหลายอาจารย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้สัมผัสดูอย่าให้จบลงสําหรับวันนี้ก็ทาไปเรื่อยๆประกอบไปเรื่อยๆการทำงานนี่มันก็เอียงไปไหลไปสู่มากสู่ผลได้ ไม่ใช่ว่าเออทำเจ็ดวันไม่รู้อะไรไม่ใช่แบบนั้นการกระทาของเราวันนี้มันก็มีประโยชน์เมื่อเราทิ่งสอบสายใส่น้าที่มันไหลเขี้ยวหน้ามันลึกเราทิ่งก็สอบสายลงไปสอบหนึ่งหายไม่ไม่เห็นหรอกสอบที่สองเที่งลงไปสอบที่สามที่งลงไปที่งลงไปเที่งลงไปแต่ว่าการขยันทิ่งสอบสายนี่สาคัญนะ แต่ที่งลงไปไม่เห็นอะไรแล้วไม่ใช่กระสอบซ้ายกระสอบตึงที่ที่ยงลงไปไปนอนอยู่ใต้โคนห้วยมันก็ทําหน้าที่ของมันมันก็ทําหน้าที่ของมันแต่เราขยันเที่งลงไปขยันที่ยงลงไปขยันเที่เอาไว้มากก็เต e ็มขึ้นมาปฏิบัติไปวัดเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาบุญไปว่าเต็มขึ้นมามันเต็มขึ้นมาว่าเราขยันทิ่งขยันลู่เนี่ยขยันลู่น่ยไป ลูบขยันลูบความลูกไม่ เ, เป็นอไรมันก็สัำฝาดได้ลูบเอารูบเอารูบเอาการขยันลูบเรียกว่าภาวนาบิชาสุดยอดของการทําบุญขยันลูบเนี่ยเป็นเป็นการสุดยอดของการทําบุญทานศีลภาวนาการก็อยากให้มันจบแตทําไปเรื่อยๆ เ, เพิ่มเติมกับการใช้ชีวิตของเราไปนะ